เด um ี๋ยวให้สุภกิจออกมาอธิบายให้ฟังเดีว DVD ชุดนี้เนี่ยพระอาจารย์นำหน้าทำร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมนะครับแล้วก็ใช้ในงานเปิดตัวยุวพุทธตอนหกสิบปีเมื่อที่ผ่านมาเมื่อปีสองปีเนี่ยแล้วก็เปิด ให้สมเด็จพระเทพตอนที่ไปเปิดตึกได้ดูนะครับสมเด็จพระเทพก็ได้ดูชุดนี้เหมือนกันหลายคนที่ดูผมก็ถ้าผมก็เชื่อว่าทุกทุกคนก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันคือไม่รู้เรื่องท่านอะไรเยอะมากแล้วมันเป็น คล้ายๆงานศิลป์นที่มีการสื่อความหมายผ่านท่วงท่าลีลาภาพแอ s บส a ตรกทุกอย่างออกมาผมบอกเลยนะว่าทุกอย่างที่ท่านทำมาเนี่ยมีความหมายแฝงเบื้องหลังทั้งหมดเลยเอาง่ายๆเนี่ยท่านเห็นหน้าคนที่มีหลายๆ ห, หน้าเนี่ยผมจะค่อยๆเปิดให้ท่านดูใหม่ก็จะขออนุญาตสาธยายแล้วกัน ก็ไม่รู้ครูบาจารย์ก็สาเราก็มาที่สาธยายมีคนก็บอกผมว่าผมเหมือนม้อแปล ง, งดรสวดณีบอกผมว่าสงสัยอาจารย์คงชาติที่แล้วคงทำม้อแปลงมาเงชาตินี้มานั่งแปลงสารจากตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเนี่ยให้คนมันเหมือนไฟสองหมื่นโวลต์ในไฟฟ้าแรงสูงถูกแปลงมาสองรอยี่สิบเพื่อให้ฟังรู้เรื่อง เพื่อให้เอามาเสียบปลักได้หรือใช้ในบ้านได้แต่ถ้าปล่อยให้งานอย่างนี้ผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยผ่านไปเรื่อยๆอะใครไปผ่าส่อนแก้วเพิ่งกลับมาใช่ไหมไหท่านเอาอันนี้มาเปิดไหมไม่เปิดผมถามคนใกล้ชิดท่านว่าท่านทํางานชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วท่านเปิดที่วันไม่เปิดผมก็ถามยูพูดท่านเคยอธิบายให้ฟังสาธยายไหมไม่ไม่เคยเลยใครรู้เรื่องก็รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ปล่อยไปเหมือนคนมาดูงานศิลป์ของท่านะ ไม่มานั่งอธิบายอยู่แล้วว่างานของท่านทำเพื่ออะไรแล้วใครมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ทุกคนดูตามประสบการณ์ของตัวเองไปตรงนี้ที่ผมถึงบอกว่าเวลาผมสาธยายหรือว่าบรรยายงานของพระจานทร์อำนาจเนี่ยผมจะขอห้ามเผยแพร่ถ้าสมมุติว่าศิลปินวาดภาพชิ้นหนึ่งขึ้นมาบนผนังแล้วก็มีคนมายืนดูทุกคนจะดูยืนดูงานกันเงียบๆแต่มีคนนึงทาเป็นตัวทาตัวเหมือนคล้ายๆผู้รู้ แล้วก็อธิบายงงใหญ่เลยแล้วถ้าศิลปินตัวจริงมายืนฟังเนี่ยท่านคิดว่าท่านจะรู้สึกยังไงตรงนี้ที่ต้องระวังไม่ว่าผมบรรยายที่ไหนเนี่ยผมจะสั่งออฟเลกคอร์ททั้งหมดนะครับห้ามเด็ดขาดถ้าใช้ก็ใช้ในหมู่กลุ่มถือว่าเป็นการส า, สาธยายทำในหมู่กลุ่มแต่คำของพระาศาสดาเนี่ยทำได้เพราะเป็น พุทธศาสนาชนสามารถเอามานั่งวิเคราะห์วิจัยแล้วก็ทำความเข้าใจกันได้แต่อันนี้งานท่านค่อนข้างชัดเจนเพราะเป็นงานศินลป์คล้ายจะเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำเพัาะการที่จะทำอย่างนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจเข้าใจในเจตนารมณ์ของพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเราเพียงแต่ศึกษาเพื่อปฏิปัติธรรมเท่านั้นเองไม่ได้มีเจตนาอะไร มือนจะไปรู้ของท่านก็เปล่าเพียงแต่ว่านํามาเห็นอะไรตรงนี้ก็อ๋ อ, อท่านน่าจะหมายถึงอย่างนี้มากกว่าอะไรเงี้ยก็เหมือนทำำําคําพุทธเจ้านะตลอดมาเราเปิดหลวงปู่มั่นหลวงปู่ล่าครูบาอาจารย์เยอะแ ย, ยะนะครับท่านพุทธทาสเราก็มาศึกษางานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองเราลองดูกันอีกครั้งหนึ่ง คนส่วนใหญ่ไม่รู้ที่มาของความทุกข์จึงคิดว่าทุกข์มาจากผู้อื่นหนึ่งหน้ามีหลายหน้ามีร้อยหน้ามีพันหน้าเพราะว่าวันนี้ถึงตรงนี้น่าจะเข้าใจกันได้ส่วนหนึ่งคือทุกๆเซลล์ทุกๆโมเลกุลทุกๆอนูเนี่ยไม่มีความเป็นเราเลยทุกคนเป็นอิสระจากกันทั้งหมด ที่พระเจ้าตรัสว่าตาไม่ใช่เราหูไม่ใช่เราเนี่ยเมื่อถึงวันที่ถอนสักกา ย, กกายที่ติดความเห็นผิดออกทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรเป็นเราไม่แต่อย่างเดียวทุกอย่างทํางานก็ตามเหตุปัจจัยที่เรียกว่าอนัตตาธรรมนี่แหละไม่ใช่คิดให้เป็นอนัตตานะของจริงเป็นอย่างนี้อยู่แล้ววันไหนก็ตามปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดจิตดวงนั้นจะตรัสรู้ขึ้นมาเองแล้วจะเห็นธรรมขึ้นมา จะอยู่ซีกไหนของโลกจะอยู่ภาคไหนของประเทศถ้าตรัสรู้ทมจริงแท้เห็นเหมือนกันหมดกระทำบางคนก็คิดว่าทุกมาจากเราทำเอง ชีวิตคืออะไรเราจะปฏิบัติต่อชีวิตอย่างถูกวิธีความจริงในธรรมชาติของจักรวาลมีแค่รูปแหนมทั้งจั ก, กรวาลในระดับสูงสุดจนถึงปรมัมมานูมีสภาพเดียวกันคือเป็นรูปนามทั้งหมดไม่ใช่ปัดยาให้คนไปเชื่อนะสัจธรรมเป็นอย่างนี้จริงๆ วันที่ท่านเดินทางต่อไปเรื่อยๆปฏิบัติตามมรรคไปเรื่อยๆแล้วก็วันหนึ่งท่านจะรู้เองสิ่งที่เห็นทั้งหมดไม่ได้อยู่บนจอครับอยู่สัพเพทธธ ร, ร ม, มาทุกอย่างในจักรวาลรวมถึงทุกอย่างเส้นผมจนถึงจกกักรีโลกีก่จักรวาลแม้แต่ที่เรามองไม่เห็นจนถึงตัวของเราต่างกันแค่มีวิญญาณครองสิงกับไม่มีนอกนั้น ตอนนี้ท่านพูดถึงชีวิตเริ่มต้นจากอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเป็นรูปนามเท่านั้นเองมีวิญญาณครองศินบ้างไม่มีบ้างแต่อยู่ภายใต้กฎเดียวกันเพราะรูปคือมวลสารต่างๆที่วนรอบตัวเองในที่ว่างจึงเกิดสนามพลังของนมามธรรมอยู่รอบรูปนามธรรมนั้นสมมุติเรียกว่าจิตคือธรรมชาติแห่งการรับรู้ นะครับสลายไปก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมจากเหตุปัจจัยเดิมที่สั่งสมเอาไว้ที่เรียกว่ากรรมก็ไปก่อวิบากก็ทําให้เกิดเหตุเกิดเหตุเกิ ด, ก ด, กดจากมันคีดเป็นหน้าคนท่านก็แสดงให้เห็นเป็นสั ต, ตว์เพราะธาตุต่างๆแล้วก็มาหล่อล้อมเป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆรูปนามก็ค่อยๆก่ อ, อ, อร่างสร้างตัวกันขึ้นมา ที่รวมตัวอยู่ด้วยกันไม่คงที่ความรับรู้ที่เกิดขึ้นในช่องว่างรู้สึกถึงการจะแตกสลายจึงเกิดความต้องการที่จะเติมเต็มทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยผมจะอธิบายเข้าใจยกตัวอย่างอันหนึ่งมันก็ช่างบังเอิญจริงๆสมัยก่อนเนี่ยผมไปที่สสวทเขาเชิญไปเขาก็บอกมีนักวิทยาศาสตร์จากนาซามา ในฐานะที่เป็นโรงเรียนที่ต้องเกี่ยวข้องก็ไปดูเขาก็เอากล้องจุลทรรศน์ให้ผมส่องเขาตักน้ํามาหยดหนึ่งแล้วก็ใส่ในกล้องจุลทรรศน์แล้วให้ผมส่องผมก็ส่องเขาก็ถามผมว่าเห็นอะไรบ้างผมบอกว่าเห็นเชื้อโรควิ่งกันเต็มไปหมดเลยเหมือนกับเวลาเราดูในทีวีนักวิทยาศาสตร์เขาทดลองเชื้อโรคอะไรเงี้ยยุบ ๆ, ๆ, ๆ, ๆเต็มไปหมดผมก็ถามเขาว่าเชื้อโรคอะไรเหรอเขาก็บอกผมว่าไม่ใช่เชื้อโรคหรอกสีน้ํา ที่เด็กระบายสีเขาก็เอาให้ผมดูว่าไอ้สีน้ำหลอดๆเนี่ยเขาก็บีบลงไปแล้วก็คนในน้าพอมันเป็นสีเขียวหน่อยๆเขาก็จับมันมาหยดในกล้องอิเล็กตรอนกำลังขยายสี0พันเท่าให้ผมดูผมก็ส่องดูผมก็ถามเขาว่าสีน้ำมันวิ่งเป็นเชื้อโลกอย่างนี้ได้ยังไงอะมันไม่มีชีวิตไม่ใช่เหรอเขาก็บอกว่านี่แหละที่เป็นปัญหาละ ที่เราเชิญโรงเรียนมาก็เพราะว่าเราจะถามว่าเราจะเอาอย่างไรที่เราสอนเด็กมาทั้งหมดว่าสิ่งไม่มีชีวิตเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วบอกว่าสิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ได้แล้วตอนนี้เราเห็นแล้วว่าสิ่งไม่มีชีวิตเคลื่อนที่ได้ <Hey. S 1> เขาเรียกว่าสภาวะขวันตั้มอันนี้วิทยาศาสตร์เขาก็ตั้งชื่อเรียกแต่นี้ก็คือรูปนามเบสิงที่พระเจา้าตรัสมา 2,500 ปีแล้ว พอผมเห็นวันนั้นผมรู้มาถึงพอวันนี้ผมมาอยู่ตรงนี้ผมรู้เลยว่าอืมนี่เองที่เป็นสาเหตุให้ทําให้สบรบปสิ่งรูปนามในโลกเนี้เป็นอนิจจังเพราะว่าเนื่องจากการที่มันเคลื่อนที่ไม่หยุดเลยเนี่ยมันพยายามจะรักษาสภาพของตัวเองนึกออกไหมครับสีน้ํากับน้ําเนี่ยมันพยายามรักษาสภาพของตัวเองมันจึงเกิดการดิ้นเพื่อจะดิ้นหนีดิ้นสู้ ถ้าลงไปในระดับของพลังงานก็จะเห็นการถ่ายทอดพลังงานที่อยู่ภายในน้ําเนี่ยเพื่อจะรักษาสภาพของมันให้ได้ถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาก็คงเข้าใจเรื่องนี้ได้ไม่ยากเพราะมันเป็นอ๋อก็จริงแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมาเชื่อมโยงกับตรงนี้ได้พอมันมาเชื่อมโยงกันจะเห็นว่าการรักษาสภาพเหล่าเนี้ยที่ผู้เจ้าถึงได้ทาว่าทุกขขังมันเป็นสภาพทุกข์มันเป็นสภาพทุกข์แต่มันไม่มีผู้ทุกข์ เมื่อก่อนเราชอบเข้าใจว่าทุกขหรือทุกขังเนี่ยคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่เราแต่เปล่ามันเป็นสภาพทุกข์ของการพยายามจะรักษาสภาพของรูปนามทั้งหมดอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่วันแรกๆถ้าเอากำลังขยายใหญ่ๆอย่างนั้นมาขยายเซลล์ของพวกเราทุกคนเราก็คงจะเห็นมันเกิดเกิดตายตายดิ้นดินกันอยู่ข้างในเนี่ยหรือเรากินอะไรเข้าไปมันก็พยายามจะ รักษาสภาพดึงเข้าผักออกเพื่อดึงพลังงานมาใช้ในร่างกายแล้วก็ผักออกแล้วก็เห็นการทํางานอย่างเนี้ยทุกๆเซลล์ทุกๆเซลล์ทุกๆเซลล์มันไม่ใช่เราเราไม่ได้ไปสั่งมันนี่มันทำงานของมันเองมันจึงเกิดสภาพที่พอมันบีบคั้นเป็นทุกข์เพื่อจะรักษาสภาพเนี่ยมันถึงทําให้เกิดเห็นรูปนามเป็นอนิจจ์เนียเพราะมันอยู่เฉยๆไม่ได้กําแพงเนี่ยดูเหมือนเหมือนจะเป็นนิจจังถ้าพันปีข้างหน้าคุณคิดว่าจะอยู่อย่างนี้ไหมล่ะ ไม่อยู่ถ้าเรากอากำลังขยาย 4,000 เท่าแบบที่เขามาทําให้ผมดูเนี่ยผมว่าเราเห็นมันขยื่นข้างในเพราะว่าเดี๋ยวอุณหภูมิเปลี่ยนเดี๋ยวอะไรเปลี่ยนพอเหตุปัจจัยเปลี่ยนเอ้นี่ก็ต้องเปลี่ยนเอ้นี่เปลี่ยนเอ้นี่ก็เปลี่ยนเอ้นั่นเปลี่ยนเอ้นี่ก็เปลี่ย น, อ น, ยนพอเอาไปตากแดดเดี๋ยวก็สีเหลืองมองคือมันเปลี่ยนเพื่อจะรักษาสภาพตัวมันเองตลอดเวลานึกออกไหมครับนี่คือสภาพของทุกขัง ให้เราเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าทุกขังเป็นสภาพทุกข์จะมีผู้ทุกข์หรือไม่มีผู้ทุกข์เดี๋ยวมันจะเป็นอีกชั้นหนึ่งพอเราเข้าใจรูปนามถ้าเอาตัวเราเนี่ยเอาแบบซากศพก็ได้มันจะได้ไม่ต้องมีผู้ทุกข์เอาซากศพเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะเปืยเน่าพองตัวบวมเพราะมันพยายามจะรักษาสภาพเหมือนกันทั้งๆ ท, ที่มันตายแล้วนี่คือธรรมชาติของรูปนาม ต้นไม้เราไปตัดมันสักครึ่งต้นจีเดี๋ยวมันดิ้นเลยมันจะออกแตกออกใบใหม่อะไรทากันใหญ่เลยมันจะทํากันใหญ่เลยทั้งท่านที่นี่ก็คือธรรมชาติของรูปนาเพื่อจะรักษาสภาพของมันเองผมไปตอนนั้นผมเป็นพระไปนั่งสมาธิอยู่ที่ผาส่อนแก้วกุฏิอยู่ริมหนาา้าผาเนะียไม่มีไฟฟ้าผมก็จุดเทียน อตอนนั้นสุภกิจก็ไปเนี่ยยังเป็นพระไปเป็นคนใช่ไหมอ๋อตอนนั้นไปเป็นคนก็จุดเทียนจุดเทียนตอนนั้นประมาณสักสองทุ่มกว่าลมแรงมากนะครับเพราะว่ากุฏิริมหน้าผาลมแรงมากแล้วก็มืดตื้อเลยทีนร้นผมก็นั่งออกจากสมาธิตอนนั้นประมาณสักเกือบเกือบสามทุ่มดี จุดเทียนก็คงไม่มีประโยชน์เพราะว่าลมแรงเหลือเกินจุดไปก็คงดับแต่ก็ลึกๆไงจุดเทียนดีกว่าก็จุดเทียนแล้วก็มือป้องไว้โอ้ลมก็วู<ๆ>่วู่ตลอดแล้วผมก็เอามือป้องไว้โอ้ยแล้วอยังงี้ยังไงเนี่ยปล่อยก็คงดับสิงั้นนะะดับก็ดับพอผมปล่อยลมแรงมากแต่เทียนก็ต้นค่อนข้างใหญ่ขนาดกำมือเนี่ยสักพักหนึ่งผมเห็นเทียนเริ่มสู้ มันพยายามจะรักษาสภาพมันมันเริ่มเผาน้ำตาเทียนลงแล้วก็ไฟมันเริ่มลุกชดช่วงขึ้นมาในขณะที่ลมก็แรงมากแต่มันก็พยายามสู้ตลอดผมนั่งดูเทียนเนี่ยผมเอ๊ะไม่เหมือนที่เราคิดนะเทียนไส้ยาวขึ้นเรื่อยเรื่อยรืืแล้วก็ไฟก็ลุกขึ้นมามากเลยไม่ยอมดับวันนั้นผมผมมีความรู้สึกเล่นเล่นเหมือนเฮ้ยยังกบเทียนนี่มีชีวิตนะ เหมือนกระเทียนพยายามจะรักษาชีวิตตัวเองแต่ผมก็พยายามมองกับธรรมชาติไม่เข้าใจวันนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องนี้พอวันนี้ทุกอย่างมาประกอบกันหมดถึงโอ้โหตั้งแต่น้น่นนะตั้งแต่ไปดูกล้องจุลทรรศกับเขาจนกระทั่งไล่ลำดับเหตุการณ์พวกนี้ จึงเห็นขึ้นมาหมดเลยจึงเข้าเข้าใจจึงเข้าใจว่าโอ้สภาพทุกขังเป็นอย่างนี้นี่เองมันจึงทำให้รูปนามเนี่ยมีลักษณะสามอย่างคือมีความไม่เที่ยงแล้วก็มีความเป็นทุกข์คือพยายามรักษาสภาพแล้วเดี๋ยวต่อไปท่านจะเข้าใจคำว่าอนัตตาอีกนี่คือลักษณะของรูปนามทั้งหมดเท่านั้นเองไม่ใช่พวกเราไปเข้ากฎนั้นหรอก แต่รูปนามทั้งหมดในโลกในจักรวาลแสดงผลของมันให้สังเกตได้ตามนี้ทีนี้ทำยังไงถึงจะเห็นว่าผู้ที่เดินทางจะกลับมาเห็นความเป็นรูปนามได้ท่านจึงเอาลักษณะโดดเด่นของรูปนามสามอเนี่ยออกมาให้เราสังเกตเพราะถ้าเราสังเกตสามลักษณะนี้ได้เราจะกลับเข้าไปถึงตัวรูปนามได้นึกออกไหมครับตอนนี้เราเดินตามรถแมพของผู้เจ้าที่เอาออกมาใหม่ แล้วเราเดินตามวิธีคือย้อนกลับความจริงรูปนามไม่ได้ไปเข้ากดแต่มันเป็นธรรมชาติที่รูปนามเหล่านั้นแสดงออกมาเฉยๆแล้วพระเจ้าก็เอาสิ่งนี้มาให้พวกเราดูพอดูแล้วเราจะย้อนกลับไปที่ความเป็นรูปนามของสรรพสิ่งได้และเราจะเห็นถึงความไม่ตัวไม่มีตัวตนในที่สุดคืออนัตตาเกิดความรู้สึกขัดขวาง ความไม่รู้ที่แฝงตัวมาเราเห็นคำว่าโลพาโทสะโมหะเราเห็นการเป่าควันพยายามจะรักษาสภาพมีกระเด้งกันออกมาเนี่ยที่ท่านพยายามจะแสดงภาพเสือออกมาเป็นกราฟิกเอาละเรากลับไปที่กล้องจุลทรสศ 4,000 เท่าอีกครั้งนึงว่าไอ้สีน้าสีน้ำสีเขียวมันดิ้นได้ยังไง แสดงว่าท้านักวิทยาศาสตร์พูดถึงเรื่องอิเล็กตรอนโปรตอนอะไรทั้งหลายที่ถ่ายทอดถ่ายเทบวกลบลบบวกเพื่อจะรักษาสภาพของมันแล้วพูดได้คําเดียวว่ามันไม่เสถียรแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรเสถียรเลยเพราะว่าเหตุปัจจัยของมันเปลี่ยนตลอดเวลาพอกําลังจะเสถียรเหตุปัจจัยหนึ่งก็เปลี่ยนพอกําลังจะเสถียรใหม่ก็เหตุปัจจัยอื่นก็เปลี่ยนเพราะเหตุปัจจัยมันมากเหลือเกินชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันพอกําลังจะกินดีอยู่ดีเอาละแผ่นดินไหวสิฉิบนะ มันก็ไม่เสถียรอีกมันต้องปรับตัวใหม่เพราะนั่นเอ้าบ้านพังต้องมาสร้างใหม่ต้องไปกู้เงินคือกําลังจะเสถียรล้มอีกเนี่ยเป็นสภาพของรูปนามที่อธิบายได้หมดนะครับคือมันเลยไม่มีอะไรเสถียรสักอย่างกำลังจะสิทธิ์เอาเดี๋ยวเด๋ยวเร่มีเหตุปัจจัยใหม่ครับกําลังจะว่าดีดอีกแล้วนะปุ๊บปั๊บมันก็เลยไม่เสถียรพอไม่เสถียรก็เป็นสภาพทุกข์ไงทุกข์มันก็เปลี่ยนสภาพไปเรื่อยเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยคล้ายๆคนไตรั่ว ดูเหมือนจะมีความสุขแต่มันหงายรดมันก็ดึงกๆๆๆอ ด, ด, ด, ด, ด, ดเดือดเดือดเดือดเดือดเดือดเดือดเดืองเดือดเดือเอดเดือดเดือดเดือดเดือมเดือเสือดเดือดเดืนดเดือดเดือดเดือดเนเดือดเนือตเมือดเดือ ต, ตามือเดนนือดเดือเดือดาดดเดอดเดดเดอเดอดเดอเดือดเดอดเดือดเดือดเดือดเดง่มเดกอดเดือดเดกอดเดือดเดือดเดือดเดืนดเดือดเดือดเดือดเดือเดือดเดือเดือเดืออเดืออดอดเดือดือดเดือดือดเดืเดืเดืเดืเืออือ อิเล็กตรอนโปตอนอะไรผมไม่ค่อยรู้แล้วนะสมมติการดึงเข้าเราเรียกมันว่าโลภะการผลักออกเราตั้งชื่อใหม่ชื่อฝรั่งเราไม่ตั้งเราตั้งว่าโทสะซึ่งก็เป็นสภาพอย่างนั้นแต่เนื่องจากโลภะโทสะโมหะในตอนต้นมันเป็นสภาพของสิ่งที่รูปนามทำขึ้นมาหากมันเริ่มต้นจากจุดนี้แล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นพืช จากพืชเป็นสัตว์น้ําเป็นสัตว์เซลล์เดียวเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นมาเป็นสัตว์น้ําตามที่ผู้เจ้าบอกจากสัตว์น้ําเล็กเป็นสัตว์น้ําใหญ่จากสัตว์น้ําใหญ่เริ่มกลายเป็นสัตว์บกจากสัตว์บกพัฒนาต่อไปนี่คือการพัฒนาของรูปนามแสดงว่าจุดเปลี่ยนมันเริ่มมีโลภะโทสะโมหะในสัตว์เริ่มต้นจากพลังงานที่รูปนามไม่มีวิญญาณคลองสิงเนี่ยจากการดึงเข้าผักออกนี่เอง ความอยากโลภะของท่านวันนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันจุดเริ่มต้นของมันเริ่มที่สีน้ำสีเขียวเนี่ยจนวันนี้มันพัฒนาจนมาถึงตรงนี้ได้จากจุดเล็กเล็กมันพัฒนาจนมาเป็นมนุษย์นี่แต่ก่อนที่มันจากถ้าตามที่ท่านตรัสว่าจากพืชเป็นสัตว์น้าเนี่ย สิ่งแรกที่พืชจะออกไปติดต่อกับโลกภายนอกได้เพื่อจะรักษาพันธุ์ของมันให้ดีที่สุดนี่คือความเป็นธรรมชาตินะไม่ได้มีตัวตนด้วยเพื่อจะรักษาเผ่าของมันให้ได้เนี่ยมันจะต้องสร้างปัญจาสาขาเพื่อจะต่อเชื่อมโลกแล้วก็มันจะทรงคุณค่าคุณภาพขึ้นที่จะอยู่ในสังโลกนี้ได้มันจึงสร้างตาหูจมูกลิ้นกาขึ้นมา ผมอธิบายแล้วเดี๋ยวท่านจะได้ดูรู้เรื่องเมื่อมันมาก่อตัวกันเข้าเป็นโครงสร้างของรหัสดีเอนที่จะตรงนี้เราพูดกันตั้งแต่สุกรมารูปในวันแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านจะเห็นเลยว่าอ๋อความเชื่อมโยงมันมันลึกซึ้งแล้วก็ยืนยาวมาอย่างนี้เลยเมื่อกี้เราฟังหลวงพ่อเอี้ยน่ะเท้าวความไปนิดหนึ่งแล้วกัน เห็นปั๊บอายตนะภายนอกกระทบอายตนะภายในคือตาแล้วก็มีจักขวิญ ญ, ญาณเข้ามาแปลค่าสมมติว่าไม่พอใจวิญญาณแปลค่าว่าสิ่งที่เห็นไม่พอใจแล้วก็เกิดโทสะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็ฝังก็ไปในวิญญาณที่เห็นความไม่พอใจก็ฝังก็ไปในวิญญาณวิญญาณที่ถูกฝัง้าไปเนี่ยเมื่อสัตว์ตาย วิญญาณ น, นั้นก็เป็นเผ่าพันธุ์ผู้เจ้าตรัสว่ามนุษย์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์วิญญาณจะส่งสืบทอดกันต่อไปเรื่อยๆจากการเกิดดับเกิดดับเกิดดับเดี๋ยวจะมีอาจจะคืนนี้จะทำให้เห็นว่ากฎแห่งกรรมส่งผลได้ยังไงในคนแล้ววันนี้ทำไมเราจึงต้องรับวิบากกรรมทั้งทนที่บางครั้งเราบอกว่าเราไม่ได้ทาทีนี้พอมันมีการ เห็นแล้วก็บันทึกไว้เป็นสุขุมรูปในวิญญาณที่ไปทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดในใจมันก็ยังบันทึกเมื่อถึงจุดที่ถ่ายทอดมาถึงตรงนี้เนี่ยจากสุขุมรูปมันเริ่มพัฒนาขึ้นมาเป็นพอมัน <c oughs> จุดติอยู่ในท้องแม่มันก็เริ่มขยายออกมาเพื่อจะสร้างตอนนั้นรหัสทั้งหมดก็จะค่อยๆสร้างกายยะฉูปขึ้นมาจากจิตตะูปที่ส่งทอดกันมาจากนามธรรมก็เริ่มมาสร้างรูปธรรม จึงกลาเป็นรหัสดีเที่ผมบอกว่าผมหูแหวงผมก็ไม่รู้ว่าผมเคยไปทําอะไรมาแต่ภาพอาจจะบันทึกไว้ที่ตาผมเมื่อสมมุติว่าชาติที่แล้วผมเคยไปคลิบหูของของวัวมาภาพมันก็บันทึกเพราะมีเจตนาในการเข้าไปคลิปเขาเจตนาตัวนี้ก็ถูกบันทึกเข้าไปในวิญญาณหลังจากนั้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บจิตวิญญาณก็มาปฏิสนธิเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณในท้องคุณแม่ผม หลังจากนั้นมันก็เริ่มสร้างจัดของเก่าที่บันทึกมาแล้วก็สร้างขึ้นมารหัส d n เตัวนี้พอผมโตออกอยู่ในท้องก็เริ่มหูแหวงมาเพราะว่าคงทำอะไรมาสักอย่างก็เท่านั้นเองใครเป็นอะไรปากเบี้ยวเพดานโวมันก็ทำทำทำท ำ, ทำอะไรมาแล้วก็เป็นรหัสที่บันทึกแล้วก็มาขยายออกมาเป็นอย่างนี้นะครับสมานตัวให้ทรงตัวอยู่ได้ จึงพยายามที่จะรักษาสถานภาพนั้นด้วยการแสวงหาสิ่งที่จะมาเติมเต็มแก้ปัญหาความพร่องของธาตุสีเกิดสภาวะการยิ่งหล่นของนามธรรมซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเท่าไราในโลกนี้สิ่งทั้งหลายไม่มีอยู่โดยตัวของมันเอง ไม่มีความคงที่อยู่อย่างเดิมแม้แต่ขณะเดียวสิิงทั้งหลายไม่มีความคงที่อยู่ในสภาพของมันเองแม้แต่ขณะเดียวนะครับท่านก็บอกไว้จึงเป็นสภาวะที่พร้อมจะก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้ไม่รู้เท่าทัน ที่นี้ขันห้าเนี่ยมีสภาพทุกข์ก็เหมือนกับต้นไม้เหมือนกับสีน้ำเหมือนอะไรเนี่ยขันห้าร่าง ก, กายของเราเนี่ยมีสภาพทุกข์เพราะมันเกิดเกิดดับดับพยายามจะรักษาสภาพของมันเองพอมีผู้เข้าไปเป็นเจ้าของขันห้า น, นี้ทำไมจะไม่ทุกข์ล่ะถ้าท่านมีอะไรที่มันเป็นตัวทุกข์อยู่ที่บ้านแล้วท่านเข้าไปเป็นเจ้าของมันรถพังๆสักคันรถที่เสียบ่อยๆเนี่ย แล้วอยู่ๆท่านไปซื้อรถเสียบ่อยๆมาเนี่ยท่านรู้สึกเป็นเจ้าของไอ้รถคันเนี้ยท่านทุกข์ไหมละ่ะทุกข์ไอ้นี่ทุกข์กว่าไอ้นี่ทุกข์กว่าดูดีๆก็แล้วกันแล้วเราไปมีจิตโง่ไปยึดไอ้ขันที่มันเป็นสภาพทุกข์พระเจ้าถึงบอกตรัสเอาไว้ว่าทุกข์เสมอด้วยขันไม่มีโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรทุกข์เสมอด้วยขันเลย ไอ้ขันนี่แหละตัวทุกข์เลยล่ะแล้วดันมีจิตโง่ไปยึดขันนี่มาเป็นของเราก็เรียบร้อยในงานนี้มันจะอยู่สุขไปได้ยังไงล่ะนะีมันก็เขย่าตามกันเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่ยอมปล่อยกั น, นสิ่งต่างๆไม่มีตัวตนด้ตนเองอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงเกิดความคิดปรุงแต่ง เพราะเกิดความคิดปรุงแต่งจึงรับรู้ถึงความรู้สึกเพราะการรับรู้ถึงความคิดนั้นจึงส่งผลสู่อารมณ์และปุคคณิกภาพพอรับรู้ถึงความคิดปรุงแต่งก็จะเกิดเป็นอารมณ์ละสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณละ เพราะเราให้ค่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงมีค่าจึงมีค่าแล้วก็มีอารมณ์กับมันละด้วยความไม่รู้จริงๆไปยึดไอ้นี่ขึ้นมาแล้วไอ้นี่ไปปฏิสัมพันธ์กับอะไรก็ต่อเชื่อมโยงกันเหมือนไฟฟ้าเลยนึกออกไหมครับเริ่มต้นจากขันเนี่ยมันไปอยู่ของมันสมมติว่าขันอยู่ของมันโดยไม่ถูกยึดถือเลยเนี่ยมันก็เป็นสภาพทุกข์ของมันที่ดิ้นรนไปเหมือนต้นไม้เหมือนก็อี้เหมือนไมโครโฟนเหมือนทุกอย่างทีนี้มันเกิดมีจิตโง่ เข้าไปยึดถืออันนี้แล้วมายึดไอเนี่ยเป็นของกูเป็นกูแบบแนบเนียนไม่รู้ว่าใครเป็นใครคือคิดว่ากูเป็นกูแน่ทีนี้จะทุกข์ไหมล่ะแน่นอนไอ้นี่ทําอะไรไปรู้จักใครพอมีคนว่าก็ไอ้นี่ก็ทุกข์ไอ้นี่เนะ่ะก็รับฟังเฉยแต่คนทุกข์คือวิญญาณแล้วก็ส่งต่อไปดุดดๆแล้วก็ไม่พอใจก็ด่าตอบพอด่าตอบเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาก็เกิดเป็นการสร้างกรรมต่อ เป็นเหตุเกิดต่อไปอีกขันแตกสลายไปแต่อ้นนี้ไม่เลิกอวิชาไม่เลิกก็ต่อเชื่อมแล้วก็ส่งต่อเป็นรหัสส่งต่อไปอีกเป็นพลังงานแล้วก็ไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณพระเจ้าถึงบอกมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พอคลอดออกมากายของเธอเป็นกรรมเก่าในปฏิจจสมุบัาทิท่านพูดไว้เลยตั้งแต่ประโยคแรกกายของเธอเป็นกรรมเก่า พอเห็นตรงนี้รู้เลยว่าท่านตัดอย่างนี้เพราะอะไรสิ่งที่สั่งสมไว้ทั้งหมดพอมาเริ่มโตในท้องแม่เป็นของเก่าแล้วมาสร้างาใหม่หมดใครผิวพรรณดีวันณนะดีก็อาจจะเคยทำอะไรมาแล้วก็รู้แล้วว่าเหตุในการทาให้ผิวพรรณดีอะไรดีเป็นยังไงนะท่านก็พูดไว้ชาตินี้ก็เลยทากันใหญ่นะบุคลิกภาพนั้น ส่งต่อให้เครื่องมือการรับรู้ทำงานบุคลิกภาพถูกส่งต่อลงมาเนี่ยท่านคิดว่าที่ท่านมีบุคลิกภาพแบบนี้เนี่ยหรือว่ามีพฤติกรรมที่หลวงปู่ดูลย์ใช้คาว่าพฤติจิตอาการของจิตทั้งหลายเนี่ยที่บอกว่าโทรศัพท์ดังปั๊บหุดหิตโกรธคนเจ้าของโทรศพรัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ย เพราะความไม่รู้นี่แหละมันจึงก่อให้เกิดพฤติกรรมแล้วความไม่รู้จิตของเราเนี่ยถูกไปเลี้ยงในดงโจรถูกไปเลี้ยงในดงโจรโดนอะไรหน่อยก็หงุดหงิดโดนอะไรหน่อยก็จะเอาคืนโดนอะไรหน่อยก็ด่าเพราะฉะนั้นโดนอะไรหน่อยก็ตาขวางอย่างครั้งหนึ่งคนทูลถามผู้เจ้าว่า ทำไมท่านจึงมีดวงตาที่งดงามเหลือเกินพระเจ้าบอกตถาคตไม่ได้ใช้ตานี้กระทำกรรมมานานนักแต่พวกเราล่ะป๊บป๊บปบใช้ตาด่าได้อะผมเนี่ยสงสัยตาเติมไม่ค่อยจะเท่ากันเนี่ยก็คงเนี่ยมันก็กรรมมันกระทำเนี่ยตากรทํากรรมวิญญาณอี่ตรงนี้เวลามันออกมาเป็นรหัสโค้ดขึ้นมา ที่เขาเรียกรหัส DNA น็นเอนก็สร้างมาตาก็อย่างเงี้ยก็มันทำมาอย่างเงี้ยเพราะการรับรู้ทํางานจึงเกิดการกระทบระหว่างภายในภายนอกเนี่ยแหละพอมีปัญจาสาขาตาหูจมูกลิ้นกายก็เริ่มต่อเชื่อมกับโลกภายนอกได้ละทีนี้สร้างกรรมถนัดเลยสร้างกรรมถนัดเลย ได้ยินที่ผมพูดไหมครับดูภาพนะได้ยินที่ผมพูดไหมครับท่านนึกว่าผมพูดแต่เป็นเสียงการสั่นสะเทือนของลำโพงที่เป็นคลื่นเสียงความถี่ต่างๆแล้ววิ่งผ่านอากาศแล้วไปกระทบหูท่านนะไม่ได้มีตัวตนบุคคลเราเขาเลยนะครับทุกอย่างถูกแปลค่าใหม่โดยโสตะวิญญาณ ซึ่งทำงานเร็วมากจากประสบการณ์เดิมที่เป็นสัญญาแล้วมาสร้างตัวตนคนพูดขึ้นมาเพราะมีตัวตนคนฟังเมื่อมีใครด่าท่านมีคนด่า ก, กูเพราะมีกูก่อนจึงมีคนมาด่ากูไม่อย่างนั้นพระอรหันเนี่ยถ้ามีคนมายืนด่าท่านท่านจะบอกโถ่ลงปากมันเป็นแค่คลื่นเสียงมากระทบ ถ้าไม่ด่าภาษาแขกถึงไม่โกรธ ถ, ถ้าไม่ด่าภาษาไทยต้องโกรธเหมือนเมื่อคืนเนี่ยที่พระธรรมาน่ส้นตีนเทศเทศอยู่เจะเทศที่หลังใครเวลาไปฟังสุภกิจขึ้นบรรยายนะจำอันนี้ไปใช่เลยนะพอสุภกิจเริ่มต้นตั้งท่านะส้นตีนพูดไปเลยดูที่จะเทศได้ไหมนะปฏิบัติธรรมมาใช่ไหส้นตีน เนียลยทำไมไม่เห็นเป็นแค่เสียงกระทบอ่ะเพราะว่าพอมีกูก็มีมึงไงน่าจากจิตโง่ไปยึดเนี่ยเป็นขันของกูทุกอย่างจึงไปสร้างภาพเนี่ยเกิดเร็วมากนะครับสักยะทิฐิเนี่ยแต่วันไหนถ้าสลายต้นได้หางไม่มีนะครับเพราะฉะนั้น เสียงทั้งหลายเนี่ยมันเป็นแค่สภาพที่ไม่ได้มีการปรุงแต่งแต่มันถูกเปลี่ยนค่าจากการปรุงแต่งในจิตของเราเองทั้งนั้นเลยหมาก็เห่าให้หมาเห่านลอกหูจริงๆอ้าวอะไรอย่างเนี้ยพอเช้าๆนกร้องโอ้เพราะจริงๆเออเราเข้า เพราะการกระทบจึงทำให้เกิดอารมณ์สุขทุกข์และเฉยเ อ, อารมณ์ที่สุขก็อยากได้อารมณ์ที่ทุกข์ก็อยากปักใสเพราะความอยากจึงเข้าไปยึดกับสิ่งที่ต้องการ เก่ยกับสิ่งที่ต้องการจึงลงมือก่อพฤติกรรมเมื่อก่อพฤติกรรมดีหรือเลวจึงเกิดคำว่าเราดีหรือเลวขึ้นในใจเนียมันจะก่อให้เกิด เ่อกี้ใช่ไว่าจะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เราดีหรือเลวคนนั้นดีหรือเลวคนนั้นผิดหรือถูกขึ้นมาตลอดเวลาแต่ไม่เห็นว่าเพราะทําเพราะมีเหตุอย่างเนี้ถึงจุดเนี้ยมนุษย์หกพันล้านคนจะมีเหตุผลให้ตัวเองแล้วก็คิดว่าเหตุผลเนี้ยถูกต้องใช่มันมีเหตุผลทั้งนั้นแหละ แต่ตอนนี้มันดันเกิดอะไรบางอย่างที่ไปสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแต่สิ่งนี้ก็เสื่อมจะลายไปตามเหตุปัจจัยแต่เพราะความไม่รู้ก็รลงปุุงแต่งแสดงวา่าสิ่ง น, นั้น วนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าสับซ้ออาการแห่งทุกข์ที่คนส่วนใหญ่ยังยึดติดยังหาทางออกไม่พบได้ประสบกับปัญหาเพิ่มขึ้นว่าไม่เข้าใจเหตุปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในสายใยของธรรมชาติหากเข้าใจปฏิจจสมุปบาทจะไม่สงสัยต่ออดีตปัจจุบัน อนาคตว่าเรามีหรือไม่อย่างไรว่าเรามีหรือไม่อย่างไรครับถ้าวันนี้ถามเราเราก็บอกว่าเรามีแต่ถ้าวันไหนเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้ว สิ่งต่างๆอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นจึงคงที่อยู่ไม่ได้เรียกว่าทุบขลักษณะคํานี้สําคัญเพราะสิ่งต่างๆอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่มันถึงรักษาสภาพของมันไม่ได้เพราะสิ่งที่ทําให้เป็นปัใจจัยให้มันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วไม่ใช่หนึ่งเหตุมันมามากกว่า24เหตุ อย่างน้อยที่จะเป็นหนึ่งหนึ่งอย่างดังนั้นยีบสี่เหตุไม่มีใครสามารถควบคุมปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลมาเป็นผลได้วันนี้เราจึงทําได้แค่เหตุต่อให้เราทําเหตุในการปฏิบัติธรรมเหมือนกันผลก็ไม่เหมือนกันมีคนนั่งรู้ลมอะไรต่ออะไรเท่ากันหมดผลก็ออกมาไม่เหมือนกันเพราะเหตุปัจจัยไม่ได้มาจากหนึ่งเหตุที่เราควบคุมได้หรือสองเหตุที่เราควบคุมได้ เหตุปัจจัยมาจากมากมายไก่กองเลยเพราะฉะนั้นชีวิตของทุกคนจึงอยู่บนเส้นได้อย่างที่ผมบอกอยู่บนความเป็นอนิจจังล้วนๆเลยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นสมมติว่าทุกอย่างกำลังดีแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่ภัยพิบัติอย่างเงี้ยครึบเรียบร้อยกันคือเหตุปัจจัยควบคุมทุกอย่างแล้วแต่ใครบอกว่าทุกอย่างอย่างเงี้ย ความสุขมีอยู่ก่อนแล้วถึงตรงนี้เราเข้าใจแล้วเพราะว่าเราฟังจิตคือพุทธะสาธยายพูดกันมาตั้งแต่ต้นแลเราเห็นสภาวะของพระอรหันต์แล้วดังนั้นเรารู้เลยว่าตอนที่ทิชชู่แผ่นสุดท้ายถูกเปิดออกของนี่มีอยู่แล้วจิตเดิมแท้ประพัสสอนอยู่แล้ว การเคลื่อนไหวหนึ่งดูดีๆนะครับนี่ไม่ได้ทําสวยๆนะครับกระแสของธรรมชาตินะั้นมีความสัมพันธ์ส่งผลต่อ ก, กันหนึ่งอุณหภูมิที่เปลี่ยนหนึ่งแสงแดดที่เปลี่ยนหนึ่งอากาศที่เปลี่ยนรูปนามจะเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับให้ตัวเองอยู่กับสภาพที่เปลี่ยนตลอดเวลา ทุกอย่างจะโยงใยเป็นเครือข่ายยิ่งกว่า GSM อีกนะทั้งโลกทั้งจั ก, กรวาลทั้งชีวิตทั้งทุกอย่างรูปนามจะปรับเปลี่ยนของตัวเองไปตามเหตุปัจจัยอุณหภูมิเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหน้าตาของสัตว์จะเปลี่ยนหน้าตาผิวพัรร์ของคนจะเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนดินนั้นอากาศเปลี่ยนความเร็วของโอโ้อ่านเจอพระไตรปิฎกเมื่อความเร็วของคนมากขึ้นดินฟ้าอากาศจะเปลี่ยนหมด เมื่อคนเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤ ด, ดูกาลลมจะเปลี่ยนทิศหมดเพราะรูปนามมีความโยงใยสัมพันธ์กันหมดท่านบอกเลยเมื่อไหร่ก็ตามผู้ปกครองแผ่นดินเป็นคนไม่ดีจากนั้นข้าราชการจะเป็นคนไม่ดีจากนั้นพ่อค้าจะเป็นคนไม่ดีจากนั้นประชาชนจะเป็นคนไม่ดีแล้วก็ต่อไปจนชาวบ้านร้านตลาดจะเป็นคนไม่ดีจากนั้น ดินฟ้าอากาศจะเปลี่ยนแปลงฝนจะไม่ตกต้องตามฤ ด, ดูกาลท่านเขียนไว้ในเพราะทุกอย่างจะเป็นเหตุปัจจัยกันหมดเวลาพระเจ้าท่านตรัสอะไรจนข้าวนาข้าวในนาจะเริ่มโตไม่เต็มที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศต้องเก็บก่อนอะไรเราก็จะเห็นหลังจากนั้นผิวพรรณมนุษย์จะซามอายุมนุษย์จะสั้นลงคือไปกันยาวเลยละ่ะจากความเร็วของคน อย่างละเอียดซับซอ้อนด้วย ป, ปัจจัยอันหลากหลายกระทบกทั่งเชื่อมต่อกันเป็นแผลรสมีสู่ผลอันหลากหลายพุทธพจน์นะครับผลนั้นหลากหลายเกิดจากเหตุอันหลากหลายเมื่อมีสติตามสังเกตการทํางานของกายและใจจะสามารถใช้เหตุปัจจัยอย่างถูกวิธีพอเราเริ่มกลับมาสังเกต ก็คือปฏิบัตินี่แหละที่เรากำลังทำกันอยูนะ่เราจะค่อยๆเริ่มใช้เหตุปัจใจได้อย่างถูกวิธีเมื่อก่อนเราใช้ชีวิตผิดกันหมดเลยแต่ตอนนี้เราเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นเรื่อยๆล่ะต่อให้ยังไม่เกิดสมาธิที่อย่างเต็มที่แต่ทุกคนเริ่มเดินเข้าสู่เส้นทางกันท่านก็สามารถวัดได้ด้วยตัวท่านเองนี่แหละ เอาล้นะครับมาดูวิสุดที่7ผลหนทางที่จะย้อนกลับเข้าสู่พระนิพพานแเพราะไม่มีใครหนีผัสสะทางอายตนะต่างๆได้เมื่อเกิดการกระทบรู้เท่าทันใจก็ปกติเรียกว่าสิงวิสุสดเพราะไม่มีใครหนีผัสสะที่มากระทบทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ ได้เมื่อมีการมากระทบใจเป็นปกติเรียกว่าศีลละวิสุทธ์ต้องถามตัวเองว่าเราถึงตรงนี้หรือยังเมื่อมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าจะชอบใจหรือไม่ชอบใจจิตไม่มีการเคลื่อนไหวสั่นไหวอีกเรียกว่าศีละวิสุทธ์แสดงว่าเป็นผู้มีศีลที่จิต ท, ท, ที่มีศีลบริบูรณ์เนี่ยศีลวิสุทธ์ นี่คือเหตุต้นแรกที่จะนำพากลับถ้ายังกระเทือนก็ฝึกต่อไม่มีปัญหาอะไรนะครับฝึกต่อไปจนกระทั่งไม่มีการกระเทือนจิตจึงตั้งมั่นไม่ถูกครอบงมด้วยอกุศลเรียกว่าจิตจึงตั้งมั่นไม่ถูกครอบงาด้วยอกุศ ล, เ ม, มมศลเมื่อไหลก็ตามที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะเข้ามาประกอบจิตจิตจะตั้งมั่น เราพูดเรื่องนี้กันมาตั้งแต่วันแรกๆเราจะเห็นเลยว่าสเต็ปที่สองที่ขยับเข้าไปใกล้พระนิพพานเข้าไปอีกวิสุทธิที่7มีอยู่ในวิสุทธิมรรคอยู่แล้วนะครับจิตตวิสุทธิจิตจะเริ่มบริสุทธิ์จากศีลบริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์จึงเกิดความเห็นถูก ข, ของรูปานามตามความเป็นจริงเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิ วันนี้ที่เราบอกว่าทิฐิของเราคืออนี่เขาไอนี่ของเราไอ้ น, นี่ของเราไอ น, นี่เา้าตาก็ของเราเฮ้ยไม่ใช่ฉันรู้ตาไม่ใช่ของเราพอพรุ่งนี้ตาหลุดนะนอนตื่นมาตาหลุดเฮ้ยตาหลุดมองไม่เห็นแล้วทุกเลยอ้าวก็เห็นตาเป็นของเราแล้วนะที่แท้นึกว่าไม่บางครั้งต้องมีการกระทบมีการเช็คนะผู้มีปัญญาก็ใช้วิธีลองเช็คดูเฮ้ยเดี๋ยวนี้ฉันพี่หงุดหงิดหรอ พาเพื่อนไปเลี้ยงกันกินข้าวในร้านอาหารเสียงดังโอ้ยเราสบายเรานักปฏิบัติอีกวันหนึ่งไปกินข้าวกับแฟนไอ้โต๊ะข้างๆก็พาเพื่อนมาเลี้ยงเหมือนกันดังลั่นเลยเ้ยำคาญชิบเป๋งเลยเลือกร้านผิดจริงๆเลยกอูอีตอนเป็นคนทําไม่เป็นนะไม่รู้สึกแต่พออีตอนกลับอีกด้านหนึ่งเอาเชียวเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งอย่าพึ่ง อะไรนะนิ่งนอนใจนะพอโดนอีกสถานการณ์หนึ่งเพี้ยนเลยเนะพี้ยนเลยแสดงว่ายังยังไม่วิสูิ์ทีนี้พอคนที่ถึงตรงนี้เนี่ยจะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องคิดอย่างเนี้ยขันห้าพอวันไหนทำลายสักยทิฐิเนี่ยทำให้ตายก็คิดไม่ออกแล้วว่ามันจะเป็นกูได้ยังไงเนี่ยสงสัยจริงๆว่าพอคนถูกดา่าแล้วทำไมไมันต้องโวดด้วย อีกคนก็สงสัยว่ามันเป็นไปได้ไไว้บ้านนี้ถูกด่าแล้วไม่โกรธแล้วก็ฟังเขาทุกคำเลยนะแล้วก็ตอบอย่างดีเช่ะแถมบางทีขอโทษด้วยเพราะก็ด่าถูกคือไม่เห็นเป็นอะไรเขาก็ด่าถูกแล้วเนี่ย พอมีทิฏฐิที่ถูกต้องเห็นไหมครับท่านจะทํากราฟิกกรับเพื่อมันจะเหมือนกับการทวนกลับลจิตจะละเพราะว่าภาพอย่างเงี้ยมันจะเป็นกราฟิกที่จะบอกว่าเราจะกลับไปที่จิตเดิมแท้และเพราะมันเห็นรูปนามตามความเป็นจริงละเห็นรูปนามตามความเป็นจริงทุกอย่างเป็นรูปเป็นนามรูปเป็นนามรูปเป็นนามวันนี้เราไม่ได้เห็นรูปนามเราเห็นผู้หญิงสวยรถสปอร์ตชั้นดี พิตตี้ที่ยืนข้างรถเราไม่ได้เห็นรูปนามขอพระทานโทษเราไม่ได้เห็นดินน้ำไฟลมแต่เราเห็นเป็นตัวตนบุคคลเราเขาทั้งหมดเพราะมันเริ่มต้นก่อนที่เรามันจึงไปเห็นเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าที่เราดับมันจะว่างจากตัวตนแล้วจริงๆมันว่างอยู่แล้วที่ไม่ว่างเพราะจิตไปปรุงแต่งขึ้นมาเองจึงเห็นภาพทั้งหมดเป็นไปอย่างที่จิตปรุงแต่ง วันเนี้ยเมื่อเช้าที่ผมยกตัวอย่างว่าเรานั่งในรถติดฟิล์มเราดูออกไปเราไม่รู้ว่ารถติดฟิล์มแล้วมันยากตรงเนี้ยที่คนที่อยู่ในรถติดฟิล์มจะรู้ได้ยังไงว่ารถคันนั้นติดฟิล์มเนี่ยมันยากตรงเนี้ยพอเป็นพระโสดาบันกระจกมันถูกเลื่อนลงแล้วเลื่อนขึ้นทีหนึ่งถึงรู้ว่าเฮ้ยกระจกนี้มันติดฟิล์มแล้วถ้าเห็นจังๆแบบนี้ จะหลอกไม่ได้อีกเลยว่ารถคันนี้ไม่ติดฟิล์มพระโสดาบันจึงอาศัยสองวินาทีสองขณะ จ, จิตนี้แหละที่จะเดินทางกลับเข้าสู่นี่พระเห็นปัจจัยของรูปและนามจนหายสงสัยเรียกว่ากังขาวิตรณะวิสุทธิ ปัจจัยของรูปและนามก็คือเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นการที่เห็นตรงนี้จึงไม่เกิดอารมณ์กับสิ่งที่ทำตรงนี้เพราะเห็นแล้วว่าเพราะมันมีเหตุมาโดนรถชนปัง้งอืมนี่เขาผิดนะอืมเราเบรกทันแต่เขาเบรกไม่ทัน จะทำอะไรก็ทําแต่ก็ทํำไม่ต้องโกรธแล้วก็เข้าเบรกไม่ทันแต่เราเบรกทันก็มีอยู่แค่นี้เองไม่ได้เราเจ้าเหตุเจ้าผลก็จะขึ้นมาแต่นั้นก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรเราจะทําอะไรจะฟ้องร้องก็ทําไปแต่ใจไม่สะเทือนสั่นไหวกับมันเนี่ยเห็นรูปนามตามความเป็นจริงกังขาวิจารณาวิสุทธ์คือหมดข้อสงสัยว่าความเป็นเหตุเป็นผลเป็นรูปเป็นนามเริ่มต้นก็เนี่ยปฏิจจสมุปบาทหมดข้อสงสัยอิทัาปัจิตตาหมดข้อสงสัย ทุกอย่างมีเหตุเป็นที่มาเพราะเห็นอนัตตาธรรมชัดเห็นอนัตตาอย่างชัดแจ้งไม่ว่าจะรูปนามนี้หรือรูปนามไหนๆก้อนหินทิศชูหรือว่าร่างของทุกๆคนเหมือนกันหมดต่างกันแค่มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณมาครองสิ่งเท่านั้นเองจัดการกับวิญญาณได้ก็ต้องจัดการกับสังขารเพราะจัดการกับวิชาทุกอย่างก็ดับหมดสิ่งที่มาดูก็แค่เป็นธรรมชาติรับรู้เป็นธาตุรู้ ซึ่งสุดท้ายก็คือชาติกันไปสามารถเลือกุมมองอย่างถูกวิธีของสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปและนามเรียกว่ามัคคมัคคอย่างทัศนวิสุทินี่ฮัลโหลวันนี้เนี่ยเราต้อง positive thinking เราจึงต้องฝึกคิดในเชิงบวกเพราะมันมีลบแล้วปกติเราอยู่ที่ลบเราต้องฝึกไปคิดในทางบวกก็มีคอร์สเปิดสอนวิธี positive thinking ตำลาเขียนออกมาฝรั่งได้ต่างกันบานแต่ถ้าปฏิบัติตามมัคถึงตรงนี้เมื่อมันเป็นธรรมหนึ่งไม่มีมุม มองอะไรก็เห็นถูกต้องถูกตรงตามความเป็นจริงหมดเพราะว่ามุมมองมีมุมเดียวเห็นลักษณะความเกิดดับในขันห้ายอมรับความเป็นจริงด้วยใจเป็นกลางเห็นการเกิดดับของขันห้ายอมรับความจริงด้วยใจเป็นกลาง เพราะเขาเห็นหมดแล้วแจมแจ้งไม่มีอะไรต้องคิดเมื่อยอมรับด้วยใจเป็นกลางรว่าปฏิปท า, านญาณทัศนะวิสุทธิจิตจึงไม่ปนเปื้อนด้วยตัณหาและการลงคิดปรุงแต่งหมดแล้วทั้งตัณหาท่านความคิดปรุงแต่งทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะเห็นความจริงจนหมดแล้ว จิตจึงเริ่มทวนกลับสู่ธรรมชาติเดิมแท้และช่วงนี้ถ้าเป็นคําสอนในอานาปนสติขั้นสิบหคือขั้นสุดท้ายคือปฏินิสัขะการสลัดคืนสู่ธรรมชาติถ้าตามคําอธิบายของพระพุธทธทาสคือตาทัตตามันเป็นเช่นนั้นเองกูไม่เอากับมึงแล้วโวยที่ท่านบอกกูไม่เอากับมึงแล้วโวยคือตรงนี้แหละที่จิตไม่เอาระโว้ยคืนพวด เห็นหมดแล้วถ้าหลวงพ่อเอี้ยนก็บอกดับว่างสงบแล้วมันก็เย็นเลยเพอะถึงตรงนี้เย็นเลยทวนเข้าสู่กระแสธรรมชาติเดิมที่บริสุทธิ์ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วคือความสุขหรือพระนิพพานเรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิ์จากที่เข้าไปรู้ลงรู้ลมครับ เนื่องจากมีอวิชชาจึงมีสังขารมีสังขารจึงมีวิญญาณจิตกับวิญญาณเข้าไปรู้ลมด้วยกันรู้ลมครับตอนนี้วิญญาณโง่กาลังไปรู้ลมแล้วมันยึดลมเป็นของเราทํายังไงก็เป็นแล้วเราอาศัยตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปความตั้งมั่นถึงจะทำให้รู้ว่านั่งอยู่ในรถติดฟิลม์มแล้วเดี๋ยวความตั้งมั่นจะเริ่มเอกใจว่ารถคันนี้ ไม่ได้ใสมั้งแต่ถ้าคนธรรมดาจะนึกว่ารถคันนี้ก็เป็นของมันอย่างนี้แหละความตั้งมั่นจะช่วยให้ค่อยๆเห็นขึ้นตามลำดับนะครับสมาธิจึงสำคัญมากไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนกับหม้อแบตแตกมีใครรู้จักหม้อแบตแตกหม้อแบตเตอรี่แตก เพราะสิ่งต่างๆอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นหากผู้ขาดปัญญาไม่รู้ก็หลงผิดสร้างเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์เนี่ยก็คือสิ่งทั้งหลายมีเหตุปัจจัยเป็นให้เกิดขึ้นน่ะนะถ้าผู้ไม่รู้ก็ไปหลงสร้างเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์คาพูดเพราะเพราะ จากพระเจ้านำนาจนะครับได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้ท่านคิดว่าเราได้อะไรครับในสิ่งที่ไม่ควรได้ความทุกข์ใจได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้เลยผู้มีสติปัญญารู้จึงเรื่องสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสุขเสียในสิ่งที่ไม่ควรเสีย เราเสียอะไรไปครับสันติสุขในใจคือพระนิพพานมีอยู่แล้วในทุกคนแต่เราสร้างการปรุงแต่งขึ้นมาปิดทั้งหมดด้วยความโง่ถ้าจะบอกว่าของตัวเองเข้าไปหลงยึดรูปประธรรมทั้งหมดแล้วก็สร้างนามธรรมาคือความปรุงแต่งเข้ามาปิดจนหมดได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้ เสียในสิ่งที่ไม่ควรเสียทั้งทั้งที่มีอยู่ในทุกคนคือจิตคือพุทธะจะไม่กลับไปก็แล้วแต่ท่านอ่ะครับพระอาจารย์อำนาจโอภาโซนะครับ <c oughs> เราก็ฟังครูบาอาจารย์กันเยอะนะเราจะเบรคกันไว้เท่านี้ในช่วงนี้ แล้วมาเจอกันอีกทีก็หกโมงนะครับตอนนี้ก็ภาวนากันไปเอาสิ่งที่เสียไปกลับคืนมานะครับมีกันอยู่ในทุกคนเชิญกลกราบพระแล้วเข้าห้องน้ำปฏิบัติ